กระดูกเยื่อกระดูกเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งนักแต่ก็ไม่ตาย 2. กุกุละนิระยะแปลว่านรกเทารึงอยู่ถัดจากนรกคูดไปเต็มไปด้วยฐานเพลิงมีเปลวร้อนแรงสมเผาให้เร่าร้อนแต่ก็ไม่ตาย 3. ส, สิมบริวา น, านิระยะแปลว่า นรกป่าไม้งิ้วอยู่ถัดจากนรกเท้ารึงไปมีป่างิ้วใหญ่แต่ละต้นสูงตั้งยอดมีหนามยาว16นิ้วร้อนโชนถูกให้ปีนขึ้นปีนลงต้นงิ้วถูกหนามทิ่มแทงเจ็บปวดร้อนแรงแต่ก็ไม่ตาย 4. อสิปั ต, ตะวณ น, นิรยะแปลว่านรกป่าไม้มีใบคมดุดดาบ เมื่อถูกลมพัดก็บาดมือเท้าใบหูและจมูกให้เกิดทุกขเวทนาผิดร้อนแต่ก็ไม่ตาย 5. ขาโรดกะนาทีนิระยะแปลว่านรกแม่น้ำด่างหรือน้ำกรดอยู่ถัดไปจากนรกป่าไม้มีใบคมดุดดาบเป็นที่ตกลงลอยไปตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้าง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 พาเอาไส้ใหญ่ไส้น้อยออกมาทางเบื้องล่างแต่ถ้าเขาบอกว่าระหายนายนิรยาบาลงัดปากเอาทองแดงละลายคว้างกรอกเข้าไปในปากเผาอวัยวะที่กล่าวแล้วนาออกมาเบื้องล่างเสวยทุกขเวทนาเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ตายนรกแม่น้ำด่างนี้พระอาจารย์อธิบายว่าเรียกว่านรกแม่น้ำเวตรณี ชื่อเดียวกับนรกบริวารในชาดกที่กล่าวแล้วนายนิรยาบาลเอาตัวใส่เข้าไปในมหานิริยะอีกเขาสวยทุกขเวทนาแรงกล้าถึงเพียงนั้นก็ไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรมพระยายมในท้ายพระสูตรกล่าวว่ายมมาราชคิดถึงเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปถูกทำกรรมกรต่างๆอย่างนั้น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 บังเกิดในมหานิรยะหรืออวีจินิรยะนั้นยืนถูกทรมานอยู่เท้าทั้งสองจมพื้นโลหะถึงข้อเท้ามือทั้งสองจมฝาโลหะถึงข้อมือศีรษะเข้าไปในเพดานโลหะถึงคิว้วล้าโลหะอันหนึ่งออกจากพื้นเบื้องล่างแข่งร่างกายทะลุขึ้นไปในเพดานหอกอันหนึ่งออกจากฝาทิศตะวันออก แทงทะลุหาไทยไปเข้าฝาทิศตะวันตกหอกอีกเล่มหนึ่งออกจากฝาทิศเหนือแทงทะลุซี่โครงไปเข้าฝาทิศใต้ถูกตรึงแน่นไม่หวั่นไหวไม่อยู่มีรูปเขียนในบทบางแห่งคติเรื่องนรกในพระสูตรที่กล่าวมาดูก็คล้ายคลึงกันกับในชาดกแต่มีเพี้ยนกัน ดูน่าจะมีคติความคิดในสายเดียวกันแต่ปรับปรุงแก้ไขให้เข้าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากขึ้นและให้มีความกว้างขวางขึ้นนรกในเนมิราชะชาดกกล่าวถึงนรกสิบห้าขุมซึ่งพระเจ้าเนมิราชเสด็จไปเที่ยวดูส่วนในสังกิจจชาดกกล่าวถึงนรกแปดขุมดูก็น่าจะมาจากคติความคิดสองฝ่าย แต่พระอาจารย์อธิบายให้เกี่ยวกันว่านรก8ปดขุมนั้นมีนรกบริวารอีกขุมละ16ทั้งยังมีนรกอนุบริวารอีกมากมายและนรกที่พระเจ้าในมิราชเสด็จไปเที่ยวดูนั้นเป็นนรกบริวารของนรกที่หนึ่งที่กล่าวในสังกิจจาชาดกจึงต้องเพิ่มเข้าอีกขุมหนึ่งให้ครบ16คือนรกไม้ยิ้วดังกล่าวในไตรภูมิพระร่วง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 เท่ากับวางแม่บทใหญ่ไว้ว่าเมื่อประพฤติจริตก็จะต้องไปอบายภูมิมีนรกเป็นต้นเป็นการแสดงเข้าหลักใหญ่เหมือนอย่างคำว่าทำชั่วได้ชั่วเมื่อกล่าวถึงนรกก็แสดงนรกเป็นหลักไว้เพียงหนึ่งคือมหานิรยะนอกจากนั้นเป็นนรกประกอบทั้งได้กล่าวถึงเจ้านรกคือยมราชมีนายนิรยบาล ทั้งหลายเป็นลูกมือส่วนในชาดกไม่ได้กล่าวถึงยมราชกล่าวถึงแต่นายนิรยาบาลซึ่งมีอยู่ในขุมนรกตื้นๆหน้าที่ของยมราชคือเป็นผู้ซักถามผู้ทำบาปที่ถูกนำตัวเข้าไปหลักซักถามคือเทวทูตหถ้าพิจารณาดูตรงๆก็ยากที่จะเข้าใจว่าจะใช้เป็นเกณฑ์สำหรับมินิจฉัยได้อย่างไร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 แต่พระพุทธศาสนาฝ่ายใต้แพ่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่มีอากาศร้อนไม่มีอากาศหนาวเย็นร้ายกาจจึงมีแต่นรกร้อนเท่านั้นนรกร้อนแปดขุมตามลัทธิลามะนั้นมีชื่อเหมือนกันกับนรกใหญ่แปดขุมท้งฝ่ายใต้และตั้งอยู่ก้นบึ้งของแผ่นดินเช่นเดียวกันส่วนนรกเย็นอีกแปดขุมตั้งอยู่ภายใต้ของกำแพงที่วงรอบโลกจักรวาล มีภูเขาน้ำแข็งล้อมรอบและมีนายนิรยาบาลที่น่ากลัวเหมือนในนรกร้อนมีชื่อเป็นภาษาสันสกฤตดังต่อไปนี้หนึ่งอระพุทธแปลว่าบวมเจ็บปวดคือสัตว์นรกที่นี่ถูกใส่ลงไปแช่น้ำแข็งที่เลือดไหลไปมีร่างกายเช่นมือเท้าวบวมเบ่งเจ็บปวดด้วยความหนาวเย็นภาษาบาลีว่า อุทธะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่หนึ่งสองนิ ร, ระพุธะร่างกายเช่นมือเท้าบวมเบ่งยิ่งขึ้นเป็นเม็ดเจ็บปวดมีโลหิตไหลออกซิบๆิบเจ็บปวดรวดร้าวด้วยความหนาวภาษาบาลีว่านิระภูธะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่สองสาอัตต ะ, ตะคือ ร้องไม่เป็นภาษาด้วยความทุกข์ทรมานภาษาบาลีว่าอตต ะ, ตะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่หา้หาสวะคือหนาวเย็นยิ่งขึ้นจนลิ้นแข็งร้องได้แต่ว่าหาหะเท่านั้นคล้ายอะพะซึ่งเป็นภาษาบาลีของนรกสิบขุมที่สามห้า อะฮาฮ่ uh huh. ขากันไกลและฟันกระทบกันเพราะความหนาวภาษาบาลีอย่างเดียวกันเป็นชื่อนรกสิบขุมที่ส6อุตั ป, ปละอาการบวมบิ่งเจ็บปวดของร่างกายบวมบิ่งมากจนเหมือนดอกโบวเขียวภาษาบาลีว่าอุ ป, ปละเป็นชื่อนรกสิบขุมที่8 7. ปปฐมะอาการบวมบิ่ง ที่มีโลหิตไหลซิบซิบผุพองมากขึ้นจนเหมือนดอกบัวแดงภาษาบาลีว่าปัทุมะเป็นชื่อนรกสิบขุมที่เ8ปอุนทริกะอาการบวมเบ่งที่มีโลหิตไหลซิบซิบนั้นบวมเบ่งมากขึ้นจนเนื้อหลุดออกจากกระดูกเหมือนกลีบดอกบัวใหญ่หลุดออกไปมีนกแล ะ, มะแมลงปากเหล็กจิกกัด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 และโสคันธิกะที่7นรก8ก็ขาดสองชื่อนี้แม้จะชื่อเดียวกันแต่ก็เรียงลำดับสลับกันดังที่เทียบไว้แล้วน่าตั้งข้อสังเกตว่ามาจากเขากติเดียวกันฝ่ายไหนจะได้ฝ่ายไหนไม่อาจทราบได้ส่วนคำอธิบายต่างกันไปคนละอยา่างทางลทัทธิลามะของทิเบตนั้นมีกล่าวต่อไปว่ายังมีนรกที่เป็น ด้านหน้าที่ทางออกจากนรกใหญ่อีกสี่ส่วนคือหนึ่งอักคินรกแปลว่าขุมไฟเต็มไปด้วยเท่าฐานที่ร้อนแรงทำให้หายใจไม่ออกเป็นเท่าฐานของซากศพและสิ่งปฏิกูลทุกชนิดสองกุณณปังกะแปลว่าสถานแห่งซากศพอยู่ถัดไปจากอักคินรก 3. คุรทาราวนะ แปลว่าป่าไม้คมมิดโกนคือป่าไม้แห่งหอกและจากอันคมเหมือนใบมิดโกนอยู่ถัดไปจากนรกที่สองสอสิทาราวนะแปลว่าป่าไม้คมดาบคือป่าไม้ใบเป็นดาบอยู่ถัดนรกที่สามแต่มีแม่น้ำแข็งขั้นอยู่สัตว์นรกหนีจากนรกที่สาข้ามแม่น้ำนั้นได้แล้วขึ้นฝั่งเป็นนรกที่สี่ ต้องถูกใบไม้คมดาบบาดเจ็บทรมานมีพิธีสวดสำหรับผู้ตายขอให้แม่น้ำแข็งซึ่งใหญ่โตปานมหาสมุทรเป็นลำธารเล็กๆและขอให้ต้นไม้คมดาบกลายเป็นต้นกระปรปลื้อํำนวยให้สำเร็จปรารถนาสิ่งต่างๆนรกรอบนอกเหล่านี้ดูเขาเดียว ก, กันกับนรกรอบนอกของนรกใหญ่ในเทวทูตสูตรน่าจะมาจากคติเดิมเดียวกัน และนรกเย็นขุมที่หนึ่งคืออรัพุทธะหรืออัพพุทธะใช้ชื่อเดียวกันกับกำเนิดรูปกายในคันมัรดาที่แสดงไว้ในอินทกาสูตรสังยุตะนิกายว่าสัปดาห์ที่หนึ่งเป็นกะละละสัปดาห์ที่สองเป็นอัพพุทธะหรืออัมพุทธะคือเรื่อมีสีเรื่อเร่อเป็นน้าล้างเนื้อแต่ยังเหลว เหมือนดีบุกเหลวในลทัทธิลามะนั้นยังกล่าวว่ามีนรกภายนอกอีกมากมายจำนวนถึง 84,000 พันโดยมากตั้งอยู่บนพื้นโลกในภูเขาในที่รกร้างในที่ร้อนในทะเลสาบนรกอีกชนิดหนึ่งรู้จักกันในภาษาไทยโดยมากว่าโลกันแต่ชื่อที่ถูกต้องว่าโลกันตริกะแปลว่า ตั้งอยู่ในระหว่างแห่งโลกท่านอธิบายว่าอยู่นอกขอบกำแพงวงกลมรอบโลกจักรวาลคืออยู่ในระหว่างสามจักรวาลหรือระหว่างโลกสามโลกที่อยู่ใกล้กันดังเกวียนสามเกวียนหรือบาดสามบาทที่วางไว้ใกล้กันเป็นสามมุมกระมังโลกันตริกะอยู่ในระหว่างนั้นเป็นนรกที่มืดมิดอยู่ นิรันดรต่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจึงมีแสงสว่างคราวหนึ่งแต่ไม่สว่างอยู่นานแวบเดียวเท่านั้นแล้วก็มืดไปตามเดิมสัตว์บาปในนรกแห่งนี้เกาะโหนห้อยกำแพงจักรวาลอย่างค้างคาวจับตะคุบกินกันเองพากันตกลงไปในน้ำที่เย็นหนักหนาร่างกายก็เปื่อยแหลกแล้วก็กลับเป็นรูปร่าง ปีงขึ้นไปเกาะโหนอยู่ใหม่สำหรับบาปที่เป็นพาหลงที่เรียกในไตรภูมิพระร่วงคือที่เป็นนิยตะมิจฉาทิฐิความเห็นผิดที่ดิ่งลงสามอย่างคือ 1. อกิริยะทิฐิเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมคือทำบาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญ2 อ, อเหตุุ ก, กัทิฐิเห็นว่าไม่มีเหตุ เช่นว่าสุขทุกข์ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเองสนักติกะทิฏฐิเห็นว่าไม่มีเช่นเห็นว่าทานศีลเป็นต้นไม่มีผลวิบากของกรมดีกรมชั่วไม่มีมันดาบิดาไม่มีคุณเป็นต้นนอกจากนี้สำหรับบาปที่ทำหนักหนาทารุณต่อมันดาบิดาสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรม ให้ทำกรรมที่สาหัสอย่างอื่นมีฆ่าสัตว์ทุกๆวันเป็นต้นในภาษาไทยมักเรียกว่าโลกันตะนรกแต่คำว่าโลกันตะแปลว่าที่สุดแห่งโลกคือโลกะบวกอันตะในที่บางแห่งใช้เป็นที่ชื่อแห่งพระนิพพานดังแสดงไว้ในโรหิตตัสสะสูตรว่าที่สุดแห่งโลก ไม่พึงถึงด้วยการไปในเวลาไหนๆจึงต่างจากคำว่าโลกันตริกะดังกล่าวแล้วคือโลกะบวกอันตริกะตั้งอยู่ในระหว่างแห่งโลกตามคติความคิดเรื่องโลกประไรแสดงว่านรกสวรรค์ทั้งปวงพลอยประไรไปด้วยกันกันกบโลกจนถึงพรหมโลกมีระบุไว้ว่า ปลายขึ้นไปถึงชั้นไหนเหมือนอย่างล้างกันเสียคราวหนึ่งสัตว์โลกตลอดถึงพวกนรกก็ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกที่ยังเหลืออยู่พวกนรกที่ยังไม่สิ้นกรรมก็ต้องอพยพไปในนรกของจักรวาลอื่นคือท่านว่าไว้อย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาเก่าแก่ที่อยู่ของสัตว์โลกทุกประเภทแต่สำหรับโล ก, กันตริกะนรก ไม่ต้องปลายไปพร้อมโลกเพราะอยู่ระหว่างโลกจึงยังเหลือที่อยู่สำหรับพวกบาปที่เป็นมิจฉาทิฐิดิ่งลงและพวกบาปหนักอย่างอื่นดูท่านที่เป็นต้นคติความคิดเรื่องนี้จะมุ่งให้มีนรกสักแห่งหนึ่งที่ยั่งยืนไม่ต้องปลายไปพร้อมกับโลกจึงตั้งนรกนี้ไว้ในระหว่างโลกหรือจักรวาลทั้งหลายเพื่อเป็นที่ทรมานสัตว์บาปประเภท ที่ท่านไม่ยอมให้เลิกแล้วกันเสียทีในคราวโลกวินาศนั้นเรื่องนรกมีลักษณะต่างๆตามที่กล่าวมานี้น่าจะเป็นที่เชื่อถือกันตลอดเวลาช้านานในมิลินทปัญหาก็ได้กล่าวถึงว่าไฟนรกร้อนยิ่งกว่าไฟตามปกติมากมายก้อนหินเล็กๆที่ใส่เผาในไฟปกติ ตลอดวันก็ยังไม่ยอมละลายแต่ถ้าใส่ในไฟนรกแม้จะใหญ่โตเท่าเรือนยอดก็ย่อยละลายลงไปทันทีแต่ว่าสัตว์นรกบังเกิดอยู่ได้นานไม่ย่อยละลายไปพระเจ้ามิลินทะไม่ทรงเชื่อในเรื่องนี้พระนาคเกษณทูลแถลงว่าอยู่ได้พระกรรมตามมลินทะปัญหานี้ไม่ได้ค้านว่านรกไม่มี แต่ค้านในลักษณะบางอย่างเท่านั้นสแสดงว่าในสมัยนั้นยังเชื่อถือกันอยู่ในเมืองไทยก็คงได้เชื่อกันมานานเหมือนกันแม้ท่านจะสแสดงนรกไว้หน้ากลัวมากเพื่อให้คนกลัวจะได้ไม่ทำบาปถึงดังนั้นคนก็ยังทำบาปกันอยู่เรื่อยมาแม้ในสมัยที่มีความเชื่อกันสนิทก็ยังทำบาปกันอยู่นั่นแหละแต่ก็มีคนไม่น้อยที่ไม่ทาบาปเพราะกลัวไปนรก เพราะท่านแสดงนรกไว้ล้วนแต่น่ากลัวในที่บางแห่งยังได้กล่าวว่าทุกในนรกนั้นร้ายกาดนักนักโทษที่ถูกทรมานแทงด้วยหอกหนึ่งร้อยเล่มในเวลาเช้ายังไม่ตายก็แทงด้วยหอกถึงหนึ่งรอยเล่มในเวลากลางวันยังไม่ตายก็แทงด้วยหอกอีกหนึ่งรอยเล่มในเวลาเย็นความทุกข์ของนักโทษนี้เมื่อเทียบกับทุกในนรกแล้ว ตัวเล็กน้อยเหมือนอย่างหินก้อนเล็กๆส่วนทุกข์ในนรกเหมือนอย่างพญาเขาหิมวันเรื่องคนไม่กลัวนรกทั้งที่เชื่อว่านรกมีอยู่และเป็นทุกข์มากมายไม่ใช่เป็นของแปลกเพราะมองไม่เห็นแม้คุกตารางและการลงราชทันต่างๆมองเห็นอยู่ด้วยตาก็ยังไม่กลัวยังมีคนเข้าไปอยู่เต็มโดยมากเวลาจะทากิดก็ไม่ได้คิดกลัวกัน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 แปลว่าการกระทำกรรมหมายถึงการลงทันท่านแสดงไว้ว่ามี32อย่างเรียกว่าทวติงสะกรรมกรแปลว่ากรรมกร32มีกล่าวถึงในหลายพระสูตรจะได้นำมากล่าวโดยคัดจากคำแปลและอธิบายตามในอัตถกถาของท่านผู้หนึ่งตั้งต่อไปนี้คือหนึ่ง กะซ่าฮิปิตาเลนเตโบยด้วยแซ่สอเวเตหิปิตาเลนเตโบยด้วยหวาย3 <า>อัทธทานตะเกหิปิตาเลนเตตีด้วยตะบองสั้น4หัตทัมปิชินดันเตตัดมือห้าปาดัมปิชินดันเต ตัดเท้า 6. หัตตปาดำปิชินดันเตตัดทั้งมือทั้งเท้า7กันนำปิชินดันเตตัดหู8นาสัมปิชินดันเตตัดจมูก9กันนาสัมปิชินดันเตตัดทั้งหูทั้งจมูก1ิ 10. พิลังค่าลิกรัรมปิปรโรนเต ลงกรมกรวิธีม้อเขี่ยวน้ำส้มคือต่อยขมองออกแล้วเอาคีมขีบก้อนเหล็กแดงใส่ลงไปในมันสมองเดือดพุ่งขึ้นเหมือนน้ำส้มเดือดล้นหม้อ 11. สั้งขะมุนที่กมปิดกรโนเตลงกรรมกรวิธีขอดสังคือกรีดหนังตัดกำหนดตรงจรหูทั้งสองและ หลุมคอโดยรอบรวบผมทั้งหมดเข้าหมวดรวมกันเข้าพันกับท่อนไม้ถลกขึ้นให้หนังหลุดขึ้นไปพร้อมกับผมแล้วขัดโกรโกสีสะด้วยก้อนกรวดหยาบล้างทำให้มีสีเหมือนสัง 12. ราหุมุคัมปิกโรโนเตลงกรรมกรวิธีปากราหูคือเอาขอเกี่ยวปาก ไอ้อ้าแล้วจุดไฟในปากนั้นหรือเอาสิวตอกแต่จอนหูเข้าไปทะลุปากโลหิตไหลออกมาเต็มปากดูปากอ้าแดงด่งปากราหู 13. โชติมาลิกรมปิกรอนเตลงกรรมกรมาลายไฟคือเอาผ้าชุบน้ามันพันทั่วตัวแล้วเอาไฟจุด 14. หัดถับปัดโชติกัมปิกรโรนเตลงกรรมกรวิธีคบมือคือเอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วทั้ง10แล้วเอาไฟจุด 15. เอรักกวัติกัมปิกรโรนเตลงกรรมกรวิธีริ้วสายคือเชือดหนังออกลอกเป็นริ้วๆตั้งแต่ใต้คอลงไปจนถึงข้อเท้า แล้วเอาเชือกผูกจุดให้เดินนักโทษเดินเหยียดริ้วหนังของตัวก็ล้มลุกคลุกคลานไปจนกว่าจะตาย 16. จีร ก, กะวาสิกัมปิกรโณเตลงกรรมกรวิธีนุ่งเปลือกไม้คือเชือดหนังเป็นริ้วๆอย่างบทก่อนแต่ทําเป็นสองตอนตั้งแต่ใต้คอถึงเอวตอนหนึ่งตั้งแต่เอวถึงข้อเท้าตอนหนึ่ง ริ้วหนังตอนบนห้อยคลุมลงมาปิดกายตอนใต้เอวดูดังนุ่งเปลือกไม้สิบเจ็ดอเนอยกกรรัมปิกรนเตลงกรรังกรวิธียืนกว้างคือเอาห่วงเหล็กสวมข้อศอกทั้งสองและเข่าทั้งสองให้ก้งโค้งลงกับดินเอาหลักเหล็กสอดตอกตรึงไว้เป็น กิริยาว่าสัตวสีเท้าแล้วก่อไฟล้อมลนไปจนตาย 18. บริษัมังสิกรรมปิกรโณเตลงกรมกรมกรวิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดคือเอาเบ็ดมีเงี่ยงสองข้างเกี่ยวตัวดึงเอาหนังเนื้อและเอ็นออกมาให้หมด 19. กเกหาปัปปะณกรรมปิกรโณเต ลงกรรมกรวิธีเหรียญกษสาบคือเอามีดคมค่อยเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นๆขนาดเท่าเงินเหรียญจนกว่าจะตาย 20. ขาราบประตัดฉิกัมปิกรโนเตลงกรรมกรวิธีแปลงแสบคือสับฟันเสียให้ยัดทั่วกายแล้วเอาแปลงหรือหวีแข็งชุบน้ำแสบ คือน้ำเกลือน้ำด่างน้ำกรดขูดถูไปให้หนังเนื้อเอ็นขาดหลุดออกมาหมดเหลือแต่กระดูก21ปรีคะปริวัติกัมปิกรโนเตลงกรรมกรวิธีการเวียนคือให้นอนตะแขงแล้วเอาเหลาเหล็กตอกตรงช่องหูทะลุลงไปตรึงแน่นอยู่กับดิน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 จึงเอาผมนั่นแหละพันตล่อมเข้าวางไว้เหมือนตังทำด้วยฟางสำหรับเช็ดเท้า 23. ตัดเตนปิเตเลนะโอสินจันเตราดด้วยน้ำมันเดือดเดือด 24. สุนักเขหิปิฆ่าดาเปนเตให้สุนักถึงคือขังฝูงสุนักไว้ให้อดหิวหลายวันแล้วปล่อยให้ออก มารุมกัดถึงพักเดียวเหลือแต่กระดูก25ชีวันตัมปิสู้เลอุตตาเ้นเตให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นเป็นคือตรงกับที่กฎหมายเก่าเรียกว่าเสียบเป็น 26. อสินาปิซี่สั่งชินดันเตตัดศีรษะด้วยดาบวิธีลงกรรมกรตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงหเหล่านี้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 ทวัิงศักดิ์กรรมกรท่านผู้แปลนั้นได้รวบรวมอีกหกอย่างคือ27เอาขวานผ่าอก28แทงด้วยหอกทีละน้อยจนกว่าจะตาย29ขุดหลุมฝังเพียงเอวเอาฟางสุมคลอกด้วยไฟพอหนังไหมเอาไถเหล็กไถ30เขืดเนื้อออกมาทอดให้กินเอง31อ ตัดหรือแวะปาก32จำห้าประการไว้ในคุกคุกตารางและกรรมกรต่างๆเช่นที่กล่าวมานี้เป็นนรกในโลกนี้สำหรับคนประพฤติผิดกฎหมายมีวิธีและเครื่องมือทรมานเขาเดียวกับนรกที่กล่าวมาโดยมากอาจจะเป็นต้นแบบของนรกทั้งหลายก็ได้